ขอจเจริญพรสราธุชนทังหลายวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรสำคัญเป็นวันที่แสดงออกเครื่องกวางปัญญูกัเวทีท่านจะทำกับปัญญูเปรวารุคุณกัจเวธทีเประโวตอบแทนคุณ กระจันญูอย่างเดียวไม่ได้เพราะกตจันญูคนก็รู้ว่ามี่พ่อนี้แม่นี่ปู่ย่าตายายแต่ต้องกระตะเวทีด้วยท่านแสดงบทบาทของคนดีคนดีต้องมีกัจจัญญูกระเวทีเรื่องนี้ไม่ใช่ทคึคนเองมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเกีฑ์คราวเดิมทด้ก็ถวายอะไรต่างๆกับเราพุทธเจ้านี่ แล้วผู้เหล่านี้ก็ทำบุปผเพรตพรีแปลว่าอิี์บนให้ผู้ตายแล้วพอเทวดาพรีทำบุญให้เทวดาถึงไม่ระ บ, บุว่าถึงพ่อถึงแม่แต่ถ้าเราทำบุญแล้วก็มีใจคิดถึงกระแถจิตให้เป็นไปถึงผู้ที่รับเรียกว่าโทรจิตเราใช้โทรศััท์ถ้า อากาศไม่ยังหน่วยก็ไม่ผ่านมันโทรไม่ถึงไหนแต่ถ้าโทรจิตนี้ไปได้ไกลไปทั่วจั ก, กรวาลทั้งหน้ากลางไหลข้างตาก้ากว่าข้างบนข้างล่างในห้ำในบน้ำบนบกกลางอากาศโลกนี้กว้างเท่าไรโทรจิตไปถึงปูญาติยายถึงบุคคลที่มีประคุกับเราอันนี้พูดแบบพราเจ้าเคยกัดไว้ว่าใครผู้ใด อาอติยารมคิดถึงคนที่เคยดีกับเรามาไม่หมายถึงพ่อแม่อย่างเดียวญาติมิตรเมตตรหายคนที่เคยกบฏจะมามก่อกวกันก็มีคนกับเราใครคนกับเราเนี่ยเพียงเราถามว่าบ้านนายแดงไปถึงบางอีตางไหนคนนั้นก็ยกมือชี่ว่านั้นพาังขาแดงนนั้นเป็นบ้านนายแดงที่นี่ยังได้บุญแล้ว แนะนำให้เขาเดินทางอย่าให้ผิดนี่ก็บุญบุญก็คือคุณระหว่างบุญแล้วก็เพิ่มตั้งหลังว่าคุณทำบุญที่ไหนก็เป็นคนที่นั่นแต่ไม่ใช่ว่าถึงคณคนรับเป็นบุญคุณที่คนทำคนทำเป็นคนญให้โดยได้ได้ทั้งบุญทั้งคุณต่วนผู้รับนี่เขาไม่ได้เป็นบุญคนกับเราแต่เป็นเป็นมาก่อน แต่ไหนที่นี่ที่ท่านเจ้าหน้าที่จัดให้มีการบังกระกุกู้ทิดวนวงไปให้แต่เจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานที่นี่ที่ทีโอทีนี่เขาก็มีบุญคลกับกับพวกเราเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานเป็นอธิบดีผู้หลักผู้ใหญ่มาบริหารที่นี่และคนงานต่างๆที่ทํางานโดยความขดเชริต ที่ลราหมายใจจากเราโอบเทิยไปให้ด้วยการว่าโอาเทีไปให้ในใันี่ปวดจะไม่ได้นะได้แน่นอนโทรศัพท์ทำไมได้ละ่ะเรารับได้แต่โทรศัตทดีกว่าโทรศัพท์เพระาะใช้จิตที่ตัดตนญู่กะบเทวีรู้กุนนี้ว่าวันนี้เราทำบุญ เลี้ยงพระแล้วก็ถวายจะถูกปัจจัยแล้วก็อะไรต่ออะไรเราทำบุญกันเยอะเราขอบุญนี้ให้ถึงกับบุกคนทั้งหลายคือคุณบิดอนบารดาครูบาอาจารย์พระยามหาพรจัตีิบอกครองแผ่นดินพระชยาิเทวาธิราชจังเรื่องลับไปแล้วก็ตามที่ยังงงูก็ตามทีบุญนี้แผนเป็นก็ได้ บนนี้แผลไปข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยข้างบนข้างล่างในน้นกกานาําบนบกกลางอากาศทั่วจาบนจักรวาลท่านท่านทำแล้วอย่างนี้ท่านขอยดูดวงจาตาของท่านที่เคราะห์ร้ายอยู่จะหายท่านกัดข้องการเงินการทองและจะเป็นหนี้ถิ่นเป็นอะไรกับการนี้จะหลุดได้ทันทีเพราะว่าบนนี้เป็นบนที่มาเห็นเป็นตัวเป็นตนทีนี้ ไม่มีตัว จ, จริงแต่ว่ามีของจริงอยู่ได้รับกับโลกนี้ความได้รับถึงกา ร, ทรูที่ถวนบนุนเูีด้ว่ากุปปเปตาพรีนี่ที่ผู้เจ้าสั่งให้ทำว่าที่ว่าเทวตาพรีด้วยเราขอให้ถึงเทวตาเทวดาทุกชั้นทุกกร่องทุกวิมานให้ได้รับถวบนวุนถวนกุนถวนกับพวกกัปป์เจ้า แต่ไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนด้วยกันจึงมารวมมือกันว่าเรามีเก่ใจที่จะทําความดีร่วมกันถ้าทาดีถ้วนตัวนี่ก็ได้เป็นถ้วนตัวทาดีถวนรวมเนี่ยไม่ได้กินความกว้างในยืดยาวเท่าด้วยเพราะฉะนั้นชวนกันมาทําบุญไม่ใช่ชวนกันมาทาบาปบนกุณฑลนี้ก่อึดให้แกค่คุณฑรัวันบาร์กูบาอาจารย์แล้วพอดีตอนนี้เป็นนักกัจจเรกของ การถงการถงการแปลว่าอะไรแปลว่าร้อนแรงถงการยู่ร้อนแรงท่านสังเกตการพิธีทางานหนักที่จะต้องถงแฉงแปรเผาให้เกิดความร้อนร้อนทั่วไปแผ่นดินก็ร้อนต้นไม้ก็ร้อนต่อะไรต่อไรนี่แต่ร้อนนี้เป็นกฎธรรมชาติท่วนถงการนี้เขามีมาเด่นดังเดิมจะว่าที่เมืองไหนบ้านไหน ร่วมดำกอนไม่จริงมันนานเหลือเกินตั้งแต่โลกมนุษย์มีมนุษย์ขึ้นนีก็ทํากันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโบราณาการที่นั่นนานนับเวลาไม่ได้และยังต้องทํากันต่อไปอีกคนบางคนไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อการจะทําอย่างนี้จะไม่เชื่อก็พิจา ร, ร, ร, จารจาาพระพุทธเจ้าพระเจ้าตัดบุปผพตรีจําบุญเดชผู้ตายและพระเทวตาปรีจําบุญนิธิวดานตามว่า ทำบุญในเทวดาเทวดาก็มีบุญอยู่แล้วแต่ถ้มีบุญอยู่แล้วนี่บุญไม่เบื่อไม่เบื่อหรอกไปแผ่ไปให้ก็ได้อีกแล้วได้กินเปล่งไม่ต้องหนักไม่ต้องลาบากเพียงเราละบุไปเท่านั้นพอไปถึงจิตใจของเขาก็ก็เชื่องออกเชื่อใจเราไม่ทําบุญ ให้พ่อแม่อย่างเดียวแ่ให้พวกเปรต ด, ด้วยอาชีวกายด้วยมารพมยมยักษ์ผีสางนางไม้ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปนในภบน้อยพวกใหญ่ที่มีวิญญาณจะรับทุกข์รับอันตรายเช่นพวกนรกหมกไม้อยพวกเปรตอะไรนี่เราก็จะให้ถึงด้วยการให้ถึงนี้พระเจ้าว่าเหมือนถนนกว้างรถบิงก็ไม่เบียดเบียดกันถ้าถนนแคบเนะี่ยอาจจะชนกันได้ถนนชีวิตต้องกว้าง แต่ต่วนบนไม่ต้องเลิกว่าอควรักไม่รักรือจัดดีเลจานถือเ้าสองทางมากตามในในน้ํามนตบกกางอากาศทวนด้วยว่าติโตไปรอบตัวตอระจิตไปรอบตัวเราตั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างเดนน้ามนตบกกลางอากาศเพราะกลางอากาศก็มีอากาศเทวดาต้นไม้ป่าไม้ลูกก็เทวดาแล้วก็พระภูมิเจ้าที่ที่มีอยู่เป็นหลักเป็นฐาน เพราะนั้นวิญญาณทั้งหลายวันนี้ที่ข้าพระเจ้าประกาศไปแล้วท่านจงรับตรวนบนุตรวนกุศล น, น, น, น, น, นี้แล้วก็ดื่มดั่โอชารดแต่งบุญลดแต่งบุญอร่อยกว่าุรถอาหารลดแต่งบุญอร่อยกว่าตามมาคุณคือบุคคลทํำดูเป็นรสชาติเหนือเลิศไม่น่าเบือ่อและวกเป็นประโยชน์ประทนและกุลทั้งหลายด้วยแสดงว่าเราเป็นคนเห็นใจแกจับมีชีวิตที่มันตกยากลําบากอยู่ ที่อดอยากปากแห้งในโลกของเปรตอาตุลกายอห่านี้ที่มีอยู่ที่ไหนท่านเปิงราบเปงผูรู้เราจะใช้เจรจิตเรจรกิจไปในที่ต่างๆให้ท่านได้โมตนาสาธุการเมื่อมีทุกข์กายพ้็นทุกข์มีควกวนทุกข์อจุกยิ่งิงขนไปตลอดกาลและนานเทอร์นที่นี้จะพูดเรื่องสงครามจเล็จ เกิเตอปีคนหนึ่งเขาไม่มีลูกกอไปเอกร้องลูกจากคนได้ก็ได้ขึ้นมาเด็กนั้นชื่อว่าธรรมบานธรรมบานนี่ฉลาดมากวันหนึ่งเขาก็มีเรื่องว่าให้ต่อปัญหากันธรรมบานทิดไม่ได้ก็เลยหนีออกไปจากบ้านไปนอนอยู่ใต้ต้นตาลที่นกนกเินเกน ท, ท้องตัวผัวเมียพูดกันว่าพี่ ตรง right นี้เราจะกินกันที่ไหนก็มันมีคนตายตรงพวกนี้แต่ก่อนนัดกันว่าถ้าไปต่อปัญหาไม่ได้ก็ไอ้ต้องฉ่วเชือดคอใช่ไหมแว่าเจ้าเจ้าพรหมนี่ก็เลยแพเด็กนี้จี๋คือว่าเขาถามกันว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนตอนกลางกลางวันราศีอยู่ที่ไหนเวลาพระภพยุทธราศีอยู่ที่ไหนแล้วนกตัวผู้มันตัวผู้เลยว่า คนเรานี่มีราตีอยู่ในตัวเองราตีคือผิวพรุ์ด้วยราตรีคือบุญภาดว่าจานืาด้วยก็คนไม่ยากจนกนไม่อาภาัพจังกินบางก้อก็คกนมีราตีราตีตอนเช้าอยู่ที่ไหนตอนเที่ยงอยู่ที่ไหนตอนเย็นอยู่ที่ไหนทีนี้ไอ้ตัวผู้ก็บอกตัวเมียว่าราตีที่หนึ่งเพื่อตือนนอนก้อนล้างหน้าราตีอยู่ที่หน้า ถ้าคนไม่ล้างตา้าล้างตาไม่แปรงฟันมันมันก็ไม่สะอาดเพราะนั้นราตรีตอนเช้าก็คือล้างหน้าล้างตาแล้วก็ตอนเที่ยงเอาน้ำนํำตปอบก็น้ํำตบอบเนี่ยมันเย็นได้ราตรีตรงกลางคือเอาน้ํำตบอบมันเย็นจัดอตอนเย็นก็เอาน้าล้างเท้าขึ้นบ้านนี่บ้านจะมีทุดาถึงถ้าถืออยู่เรา เราถวมรงเท้าอย่างหนึ่งแต่ว่าโดนเท้าเปล่านี่จําต้องยังไงเพราะว่าบ้านเรือนเป็นสถานที่ผู้อื่นก็อยู่ด้วยวิญญาณอยู่ด้วยวิญญาณเทวดาได้ ว, ว่าเทวดาประจําบ้านเทวดาประจําที่ประชากราชวังของพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราต้องเคารบว่าบ้านเรือนที่อยู่ต้องให้สะอาดต้องปัดต้องกว่าต้องเกตต้องถูเทวดาก็เชงอยู่แล้วก็ปีจางนางไม้ พวกอะไรที่มีวิญญาณก็ถึงอในบ้านเราเราอยู่บ้านจริงแต่เขาเป็นบ้านเขาด้วงต่างคนต่างอยู่ทีนี่เทวดาประจต า, ราตัวเองก็มีเทวดารักษาตัวเองก็ต้องล่างทาวิ่งว่าต่อไปตอบกันจงเจๆถ้าหาพรมตอบไม่ได้ก็เรียกว่าถ้าใคยแพ้ต้องตัดคอตัดคอก็แล้ว้ากับบินและพวมนั่นมีลูกสาอยู่เจ็ดคน บางติงจานางอะไรนี่สาวสาวต้งนั้นก็พ่อบอกว่าลูกหัวของพ่อนี่อย่าลงนินะกลวยจะลึกขึ้นพอครับปีแล้วลูกก็ต้องทำอุดีตยืดให้เราเนี่ยทำให้ด้วยเท้ากินระเบีงพรมมีจริงโยมแล้วก็เด็กที่ชื่อธรรมบาลก็มีจริง มนจริงยังไงเขายังไม่ได้เป็นพระารา น, นี่ก็ต้องลังเวียนไหวตายเกิดอยู่สัดทั้งหมดที่ตายไปนี่ยังมีชีวิตอยู่ทางดีเจใจถึงกะติดประจามแรงกรรมประจายแล้วก็ไปไปนรกบ้างไปเทวดาบ้างไปพระพรหมบ้างแล้เป็นจัดเป็นจัดทางน้ําบ้างอาปาฏิก็มีจัด ก, ก็มีแล้วก็จัดตีเท้ารองเท้าสัดตวมุกนาเท้า กัดมีกายใหญ่กายเล็กกายดำกายขาวกายยาวกายท่านกายเหม็นกายหอมกายขนกายปีก็มีเยอะแยะจิตที่มีใจมั่นคงอย่าไดเมกว่าพวกนั้นตายแล้วโฉนท์ชื่นไม่ถูนยังต้องกลับมาเอิดอีกอย่างที่เรานั่งอยู่นี่จะเกิดอีกครั้งแล้วก่อทุกครั้งจะเก็บจะดูกกระพุธเจ้าแต่เพื่อนแต่ดินที่มันแน่นหนาไปด้วยกระดูกคน เราดูตั้งนี้ออนนพันดวงเอาทุกขกับไปเองแต่ละคนแต่ละคนะคนองเราก็ต้องอยังเวียนว่ายกันนานที่เราเราทําให้เขาบ่ที่เขาเราก็ต้องคราทําให้เราถ้าเราไม่ทําให้พ่อแม่ลูกก็จะไม่ทําให้เราจ้าเราไม่ทําให้เพื่อนที่รักหรือไม่ทําให้จัดจัดทั้งหลายก็ไม่ทําบุญให้เราเมื่อทําให้เราก็ให้ทานไปให้การทางจิตใจให้ทางทางเมตตาหรืปรารถนาดี วิญญาณทั้งหลายก็อืมดำโอจรดและได้ถูกกระบายความอิม่มเอมในอารมณ์ปรีปรดาบดามโมสนี้เกิดความเยือมเย่นเช่นสัตว์นรกพวกเบลพว่าแต่ถูกตายนี่เขาอดยากลำบากจะกินจะอยู่ก็ลำบากที่นี้ว่าเปรตบางตัวปากเท่ารูเข็มกว่ามีเปรตบางตัวไม่มีใครตะมูนิที่อไปให้เช่นดูเจ้าเล่าถึงเรื่องว่ามีคนคนหนึ่งเป็นคนจาสวนอ้อย อ้อยนี่ก็ปลูกกันหมดสวยๆ้วยอ้อนอ้อยนางนวลเปลือกมันนิ่มแต่ก็ไม่เหมือนกับปลูกอ่าอ้อยจะจะสมัยทุบันนี้ทีนี้แกก็แบกอ้อยไปมีคนตามหลังมาคุ้นๆก่อเกินจับกับลำดีแกว่าตัวละอะไรล่ะตัวละต้องต้องถือดิจะเอาเปาได้ยังไงผมไม่มีตางยันใจผมบ้าง ไอ้คนที่แบกอ้อยมันก็เดินไปข้างหน้าเวลาให้อ้อยมันไม่ได้หันไปดูมันก็จะบัดอ้อยลำหนึงไปให้เกิดให้ทางข้างหลังโยงฟังมอะไรอ่เให้ด้วยความไม่ใช่เป็นฐานที่แท้จริงต้อให้จริงต้องเห็นต่อหน้าด้วยและจงมือต่อมื อ, อ, มอแต่ทําอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักหลักการทําบุญการทําบุญต้องทําด้วยความใจจริงและตจงมือถ่งกับมือด้วยแต่คนที่เป็นพระเจ้าอ้อยเนี่ยจะ คนทําสวนอ้อยนี่คือแต่ไม่ชอบแกต่อเอาไป้เอาไปเนีพูดอยาบหยาบแล้วกอ้อยโยนในข้างหลังไอ้นุ่งเนาะแกจาบุญทั้งอยู่เมือ น, นกับโยนให้เผลักไสมานี่แต่ยังไงก็ต้องกินทีนี่รวมกันการว่าคนนั้นต้องเป็นเปรตคกิดคนําบุญจนไม่เจตนาดีเลยแต่อชัดหให้โยนให้เมื่อความไม่เต็มใจเนี่ยบาปนะทําบุญต้องนิ่มนวลในอารมณ์ว่า ให้โดยความบรรจงจิตแล้วก็ตั้งใจให้แลดีใจด้วยแต่ถ้าคนรับขออย่างไรไม่เรื่องของเขาแต่คนห้จะวด้ให้บุญวันนี้นี่เราตั้งใจจริงเราดีใจจริง ว่าบุญถึงพ่อแม่ตัวยายก็ถึงจัดอื่นด้วยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบุญกุลก็ติดเราได้ก็จะช่วยพอจะตายก็หายพอที่จะจนก็ไม่จนพอที่จะรักจนตายก็ปลอดภยัยแต่เราไม่รู้ว่าปลอดได้อย่างไรเพราะดวงจะตาบุญของเขาล่ะบุญที่เขาทาอย่างที่รบๆ ล, ล, ล, ล, ลี่หรือมันจ้าเด่นนี่มันเป็นบุญละเอียดมากแต่างให้เข้าใจอย่างนี้ตอะนั้นเจ้าหน้าที่ในคอทําดีเหลือเกินว่าวันสงการาน แบดมัน้อยแด่เป่าให้คนใจเย็นจะบ้างโดยการทำบุญอันเย็นอะไรจะไปทุบบนไม่ได้เย็นของน้ำแข็งเย็นของอากาศที่เย็นจะเย็นใจเพราะทำบุญมันเย็นใจอย่างลื่เรองแล้วก็ถูกใจถูกกายถูกใจ ขอบุญเป็นสอนนนี้ที่ทานทำแล้วจงตง ป, ปราร้าวัดใจเป็นก้อนไม้ใจกาปักปักรักษาทางจังไหลให้อุดมสมบูรณ์ด้วยอายุวันนาทุกขะประละบาลีบานตนาการสมบัติไปพัฒนะมงคลมโนยพร้นอันใดนเป็นที่พึงใจขอถึงดั้นจงวามเกิดเกิดแก่ทานจังไหลตัวบาล น, นานโดย ก็กลับอ็มาณส่งก่อนนะครับนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมาธรมุตตสนโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตธมาสมบุตตสนโม ธรรมะเดนาชาวรัตเจนะกะตังอะพังอะปาราทังธรรมปุโนพันเตธรรมเคป r มะเดนาชารัตเจนะกะตังอะพังอปาราทัง ขันธุโนคันเตชั่งเคปะมาเดนะตวารัตเยนกะตังศพังอปาราทังขันธุโนคันเตอาหังกามนิเมหิปมนิตะบัง ชาตขอโทษต่อเรื่งที่ผิดพลาดด้วยรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามต่อหน้าและลัหลังจะเป็นได้หรือไม่เป็นแต่ว่ากล่าวคำขอขอมาโทษนี้เป็นบุญมหาศาลถ้าเกิดชาติต่อไปจะเกิดแต่ตระกาลถูงถ้าเป็นคนอื่นจะรูปร่างหน้าตาน่ารักประอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นที่แปลกถวนบุญไปแล้วนี่ ขอบนบุรนนเนจจนถึงตัวท่านเองทุกๆคนให้สมบูญด้วยเรื่ตองตข้าวของเดือกินเรื่องใชที่ทุกใบพ้นทุกตอนนี้จะให้พรยาทาวาเดวังอาปุราปริปเรนเตตากระังเอวะมเมวะหิตตทินัางเพตานังุปกะปติเอติตังบัติตังตุมังเข็บปเมวะชมจัตุะเปอุเรนโตทั้งกะงกป่าจันโตปนรโตยทามนิโตติราโตยาทา วาจันตระพาลรดวินาศตะตุเตภาวทวันกะยอตุกีทีกายุปวะภาวะนาบินเตเลตานิจังบูจาปายจายโนจตาร มาวัฏกันติอายุวันโนตุพังบาลังยานจะกพอดาปินนาจังขามิตวเตติตา ดการตานิจายาตาดานาเทอปะกาปะติเทอปัญญาติธรรมโจายังนิดัติจเวตานาปูชาจะกปตาวราดาบาลัญญาภิกขุนัมโนปลินันตุเหขิปุญยังปตุตังอนัปากันติภาวะตุลาปามังคตราคะตุัามะเนวตา ตบาบุตานุภาเวนาตตาโตที่ภวนตเทบาวัตตราภาบงกาลังรคันโตจาปิวตาตามาธมานุภาเวนาตตาโตที่ภาวนตเทบาวัตุตราภาบางกาลังระคันโตจาปิวตาตามบาธรราณุภาเวนัตตาโตที พ้าวันโตเต๋ออเจริญทุกเจริญพรจ่าเจวาทุกทุกคนที่มาประบกันทําบุญวันนี้จงทุกสมบูรณ์ตลอดกาลนานเท่น